วันนี้พระลงมาชันสิบสามงดชันสิบห้าพระลงมาชันน้อยวันนี้ฝนตกการลงมาชันหรือไม่มาชันเป็นสิทธิขององค์นั้นให้เป็นหน้าที่ขององค์นั้นเป็นผู้ตัดสินหลวงพ่อไม่ได้มีการบังคับไม่ได้มีการ ชวนมีแต่การชีน้นําชี้แนะบอกว่าการฉันอาหารให้อิ่มการปฏิบัติเป็นยังไงการที่ไม่การผ่อนอาหารเป็นยังไงการอดอาหารวันหนึ่งสองวันเป็นยังไงให้ทดลองดูสิอันนี้คือชีน้นําให้ทดลองดูถ้าทดลองดูแล้ว มันไม่เกิดผลก็ไม่ควรจะตามก็ไม่ควรจะนำเป็นการเครื่อนอทดสอบทดลองในภาคปฏิบัติของพระที่เข้ามาบวชมาศึกษาในสำนักสายของหลวงปู่หลวงปู่มั่นหลงตามหาบัวเป็นสายปฏิปทาที่ไม่รู้หลาอูอา ฟุ่มเฟื่อยเป็นปฏิปทาที่สันทุถีอภิชาตาสันทุถียังมาแล้วยังอภิชาตาเป็นผู้มักน้อยเพราะนั้นการกดอดทหารเป็นหน้าที่ของแต่ละองค์ให้สังเกตหลวงพ่อเคยพูดอยู่เสมอเหมือนกับการ ทำมาค้าขายเราจะทำยังไงจึงจะได้ผลกำไรงอกเงยเรือ ว, ว่าเป็นที่เป็นผลกำไรที่เป็นที่ภาคภูมิใจเราเป็นที่พอใจเราการปฏิบัติจิตภาวนาองลักษณะอย่างนั้นถ้าเราทำเป็นวันๆไปโดยที่ไม่ได้คิดโดยที่ไม่ได้ทบทวน โดยที่มาได้ใ ต, ตรองโดยที่มาได้ไข่้กวรพิจารณาอดีตอนาคตปัจจุบันกิจการงานของเราก็ไปเป็นกระชังกระตายเป็นวันวันไปทอนนั้นเองแต่เราทบทวนดูข้างหลังทาไมมันไม่ก้าวหน้าทำไมมันเป็นลักษณะอย่างนี้มันเป็นเหตุมาอย่างไรควรจะสร้างเหตุให้ดีขึ้นไหม สิ่งเหล่านี้มันต้องอยู่กับตัวเองทั้งหมดแต่ถ้าตัวเองเข้มแข็งตัวเองบักบัน่นตัวเองเข้มแข็งตัวเองแน่วแน่มีความตั้งใจจริงมีความกล้าในที่จะลงทุนในภาคปฏิบัตินั้นเทวดาอารักพยากรไม่ได้ บุคคลอย่างนั้นแต่ถ้าว่าพวกเราอ่อนแอทำอะไรตามใจตัวเองตามกิเลสตัวเองนั่นแหละถึงเทวดาพยากรณ์ขนาดไหนมันก็ยังตับเพราะตัวเองทำไม่ดีทำไม่ถูกต้องอ่อนแอเห็นท่านจึง มีนิทานเล่าเป็นชาดกเป็นแนวความคิดให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังท่านยกเป็นชาดกขึ้นมานก็น่าคิดเหมือนกันชาดกเรื่อง น, นี้คือสอนได้ได้หลายรูปแบบความเข้มแข็งหนึ่งความกลางหนึ่งความอวดดีหนึ่งความไม่รอบคอบหนึ่งความประมาทหนึ่ง มันอยู่ในนิทานเรื่องนี้บางง้นจ่ะนิทานที่หลวงพ่อจะพูดให้ฟังือเป็นชาดกเนี่ยในสมัยหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินเมืองกะลิงกะลาเมืองกะลิงคะเป็นในยุคสมัยนั้นก็เป็นเมืองใหญ่เป็นที่ยอมรับคนทั่วโลกว่าเป็นประเทศที่แบบมั่งคั่งสมบูรณ์ เข้มแข็งถ้าจะเปรียบเทียบยุคสมัยนี้กันนูลล่นละอเมริกานน่นละว่าะงั้นแต่แต่ยุคส ม, มัยนั้นเขาว่าในถิ่นนั้นเขาว่าเมืองกลิงคะเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ใครเข้ามาไม่กลัวใครทั้งหมดในพื้นปฐพีนี้ว่า ง, งั้นแต่แต่ทีนี้พระเจ้าแผ่นดินที่ปกครองนั้นก็ลักษณะอวดดีกลางเ่า ง, งั้นเมื่อตัวใหญ่มีอำนาจขึ้นมาแล้ว แต่เด็กมีลูกสาวสี่คนพระเจ้าเป็นดินนั่นใส่ ย, ยานค่ๆๆายค่ว่าใส่ยานใส่นี่แหละใส่รถในยุคสมัยนั้นเทียมด้วยม้าไปตามเมืองต่างๆให้เข้าถ้าพูดแบบภาษาอีสานบ้านเราก็ว่าแกงเท้าหาเสียนเางัอนกัน ภาษาถ้าพูดเป็นภาษากลางก็ว่าอะไรกลางอหาเรื่องหาเรื่องใส่ตัวเองหาเรื่องใส่หัวตัวเองว่าข่าไม่เก่งก็ได้กระสงลูกสาวไปตามในราชรถบอกว่าถ้าว่าไปถึงประตูเมืองไหนถ้าบ่าประตูเมืองนั้นยอม ก็อเอาเครื่องบรรณาการใส่รถบรรณาการให้ลูกสาวแต่ถ้าหางว่าขายก็ตามถ้าหางว่าจะต่อกรชื่อสู้ศึกสงครามแล้วก็ให้รับลูกสาวยึดลูกสาวเลยแล้วประเทศนั้นจะเห็นดีกันนะแต่โลกนี้มันไม่ใช่มันมีแต่ดอกกุหลาบปูด้วยพรมนะเหอเนี่ยมันมีขวากมันมีหนามเนีนะ่ยมันมีหินโซกโครก มันมีอะไรครบทุกอย่างแต่ไปเจ้าเมืองคลินคาสนี่ลืมคิดไปมาตัวเองเก่งลูกเดียวว่างั้นเด่ะเทนี้ก็ไปถึงเมืองหนึ่งแต่เมืองนี้หลวงพ่อจําชื่อไม่ได้ดีเดียเมืองอะไรสเปสะหรืออะไรลักษณะอย่างไงเออพบเป็นภาษาบาลีเทนี้มีอํามาตย์เจ้าพลหนึ่งอํามาตย์คือทหารใหญ่ของเมืองนั้นเขาก็เตรียมเมืองเขาไว้เหมือนกัน พอมากเกิดเขาก็ส่งมาส่งมากับทหารอัมมัดเนี่ยทหารใหญ่กว่านี้เอาเอาเลยรับเลยเปิดประตูเข้ามาเลยเนี่ยยึดนางสีนางนั้นเลยมอบให้แกพ่พระเจ้าอยู่หัวของเราเออพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ยุกนั้นสมัยนั้นท่อนมันก็ไม่ปฏิเสธอยู่แล้วนั่นเดี๋ยวพนางพญาเนี่ยพนางพญาแผ่นพระเจ้าไปดินก็ได้ อักามเหสีพร้อมกันสีอะไรแบบนั้นเถอะทีนี้ก็พอยึดแล้วทีนี้ส่งข่าวไปถึงไปเจ้าเมืองคลิงคะพระบิดาทางโน้นน่ะท่านนั้ น, นกโหโมโหจัดเหมือนกับไปกระตุกหางราชสีอย่างนั้นน่ะเออหรือไปเหยียบหางงูเห่างูจงอางอย่างนั้นน่ะแผ่เมีเ่ยเบี้ยเต็มที่เลยอย่างนั้นเถอะเจตมาตะคุบเมืองเนี้ยหาว่าเนี่ยเก่งกล้าสามารถ ยึดพระธิดาของตนเองแต่นี่เขาก็ส่งกองทัพมาเลยเหนนั้นแต่ส่องกองทัพใหญ่เข้ามาเลยทางนี้ก็ส่งกองกองทัพไปยันไว้เหมือนกันเหมือนนั้นแต่ไปยันกันในระหว่างเมืองต่อเมือง mm hmm. พอยันกันเสร็จแล้วก็เจตจากร <c oughs> ขณะนั้นนะ่ะพอมาพักศึกแล้วแต่นี่ระเจ้าเมืองคาลิงค่านะ เห็นฤาษีท่านอยู่ในภูเขาแถบนั้นนะใกล้ๆนั้นฤาษีฤาษีตาทิพย์คนนั้น่ะฤาษีตาทิพย์เนี่ยคล้ายๆมองเห็นอดีตอนาคตปัจจุบันใครจะเป็นยังไงฤาษีจะรู้ได้ทั้งหมดฤาษีเนี่ยฤาษีตาทิพย์ในยุคสมัยนั้นเขานับถือฤาษีคนนั้นอยู่ตรงนั้นพระเจ้าแผ่นดินเมืองกลรุงค่ะก็เลยเข้าไปหาฤาษีท่านฤาษีครับผมสู้ศึกสงครามคราวนี้ ผมชนะไหมหรือสีก็บอกว่าเอออย่างอาตามายังตอบไม่ได้เดี๋ยวจะถามพระอินทร์ก่อนเดี๋ยวพระอินทร์จะมาคืนนี่แหละวันรุ่งขึ้นยังค่อยมาถามอีกนะเดี๋ยวอาตามาจะให้คำตอบครับแต่นีเมืองคะลิงค่าก็กลับไปพอกลับไปวันรุ่งขึ้นมาอีกเห็นพร ะ, ะอินทร์ก็มากลางคืนนั่นะมาหา ลือศีลือศีก็ถามว่าเนี่ยนี่พระองค์ท่า น, นการสู้ศึกสงครามพระเจ้าปรบดินเมืองคาริงคะเข้ามาถามว่าการสู้ศึกคราวนี้จะชนะไหมพระอินทร์ก็ตอบว่าพระเจ้าเมืองคลิงคะเาาามมานี่ย จ, จ, จะเป็นฝ่ายชนะแน่นอนเพราะเขาใหญ่พร้อมหมดทุกอย่างเมือง น, นั้นแพ้ ท่นนี้ก็พอพูดแล้วก็พอหลันวันลุงขึ้นเมืองคลิงคะก็มามาก็มาถามว่าเป็นไงผมฝ่ายไหนจะชนะหรือสีหรือตาทิพ น, นก็บอกว่าพระองค์จะเป็นฝ่ายชนะถามพระอินทร์ดูแล้วเมื่อคืนนั่นเลยสิใครจะมาต่อกลผมได้ผมเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในปฐพีอยู่แล้วมันจะมาแย้มได้ยังไง เบี่ยงขี้อวดอีกต่างหากวมื่อนั้นกนัจากนั้นก็ไปเลยรตัเนี่ยพอไปเสร็จแล้วกัฝ่ายฝ่ายตรงข้ามเมืองสเปนฮ้สเปนตะในอะไรเนะี่ยเขาก็นับถือฤษีนี้เหมือนกันเขาก็เข้าไปหาอัมมาตแต่พระเจ้าพอดินม่นได้เข้าไปหานะอัมมาตคนที่จะต่อสูอน้นั่นกั พระเจ้าแผ่นดินไม่เอาจะแล้วมีตาอามาตคนนี้แหละจะเป็นจะต่อสู้กับพระเจ้าแผ่นดินในเข้าไปหาอีกไปหาฤาษีตาตาทิพย์อีกฤาษีตาทิพย์บอกว่ า, วาฝ่ายทุเจ้าต้องเป็นฝ่ายแพ้จะเป็นชนะได้ยังไงจะไม่ปล่อยใ น, นฝ่ายหนึ่งชนะแล้วฝ่ายนั้นก็ต้องเป็นฝ่ายแพ้ฝ่ายทุตเจ้าต้องเป็นฝ่ายแพ้แต่นี้ก็แล้วมีอะไร ขาว่าฝ่ายแพ้ในฝ่ายชนะในมีอะไรเป็นสั ญ, ญลักษณ์เป็นเครื่องบ่งบอกล่วงหน้ามีไหมนี่อันนี้คือขา้าวปัญญาเข้ามาเลยเด้ถามหาเงื่อนงำเหมือนกนจะมีไหมมีอะไรไหมเป็นเครื่องบ่งบอกว่าจะเป็นฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะล่วงหน้าหรือสีตาทิพย์บอกว่ามีคือในขณะที่ ยกพลไปสู้กันในระหว่างที่ยกพลตลุ่มบอลกันกําลังจะเข้าศึกสงครามกันนะแต่เจ้าแผ่นดินต่อพระเจ้าแผ่นดินจะขี่ม้าไปฟันดาบกัน่ะจะมีโคสองตัวมีวัวอยู่สองตัวถ้าหากว่าวัวฝ่ายไหนเป็นฝ่ายขาวฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายชนะถ้าเป็นฝ่ายดําฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายแพ้ให้เห็นกันแล้วกัน มันจะชนกันถ้าห่วงวัวฝ่ายแพ้คือวัวดำวัวฝ่ายชนะคือวัวขาวปอดท่านอมรได้ยินนะครับผมกาบลาฤาสีตังไงก็ต้องแพ้แน่เหมือนกันอแต่ว่าความแพ้ของอมาคนนี้นะไม่ยอท้อเพียงแค่นั้นฝึกฝนทหารตัวเองอย่างเข้มงวดขวดขันที่สุดเลยวหงง้นนเถอทหาร ของตัวเองแปลว่าทหารสู้ตายของตัวเองอยู่ในกายของตัวเองพันหนึ่งเหมนนเลและทหารภูมอภาอีกเป็นหมื่นเหมือนกันแต่ทหารสู้ตายเนี่ยพันหนึ่งไอ้แค่ว่าทหารสู้ตายเนี่ยเนี่ยตัวเองยังไงก็ต้องอย่างนั้นเหมนั้นเลยเี่ยทีนี้ก็เอาทหารสู้ตายของตัวเองขึ้นไปบนภูเขาในถึงภูเขาแล้วอบรมทหารทหารหารทั้งหมดเรารักชาติาตาศาสนาพระหมหากษัตริย์ใช่ไหม ทหารก่อใช่ครับพร้อมกันเอาถ้าพวกเรารักชาติเสียสละเพื่อพระเจ้าเป็นดินท้อจริงเอาโดดหน้าผ า, าให้ทหารทั้งหมดกองพันหนึ่งเหมนกันกระโดดหน้าผาทหารเขาวิ่ง ก, กู้ไปจะกระโดดหน้าผาจริงๆพอจะกระโดดเออแม่ทัพใหญ่ก่อนยศทหารเอพวกเราทั้งหลายเราเห็นแล้วพวกท่านเสียสละเพื่อชาติจริงๆรตายได้ เพื่อชาติอา้ายุดอ้อาลงไปพอลงไปถึงในเมืองเสร็จแล้วก็ไปพูดกับพระเจ้าแผ่นดินบัดผมได้ไปถามฤาษีตาทิพย์ดูแล้วว่าในขณะที่สู้ศึกสงครามนั้นจะมีวัวปอดวัวฝาขาวปอดกับวัวดำแต่วัวดำนั้นเป็นวัวของพวกเราเพราะเป็นฝ่ายแพ้เพราะนั้นขณะที่ เข้าไปสู้ตรุ่มบอนกันนะจะเห็นได้ตั้งแต่พระเจ้าไปดินสองคนสององค์เท่านั้นฝ่ายเขาก็ฝ่ายเราแต่พวกผมไม่ไม่เห็นเพราะฉนั้นในขณะที่พระองค์เห็นวัวสองตัวชนกันนั่นนะให้พระองค์เนี่ยเอาดาบสามง่ามหนี่งไปแทงท้องวัวขาวตัวนั้นเลยเหมืนกันแล้วก็ตะโกนน้อยผมกตัวไปเอาแทงตรงนี้แทงตรงนี้ว่างั้นพร้อมเหมือนกันเอะ ทีนี้ก็ถึงข่าวแล้วกันบอกทหารอีกในเมื่อพระเจ้าปดินวิยังไปแทงจึงนั้นให้พวกล้อทั้งหลายลงไปกดลงตรงนั้นพร้อมกันเออพร้อมตะโกนเดิเราชนะแล้วบอกพูดอย่างนั้นด้วยผลที่สุดก็นัดกันเสร็จเรียบร้อยแ็่ยกผลเข้าไปหากันพอยกผลเข้าไปในระหว่างกลางก็เห็นวัวสองตัวจริงๆออกมาคนละข้างกับโดดไปชนกัน ในระหว่างกลางพระเจ้าเปดินต่อพระเจ้าเป็นดินจะตลุงบอนกันว่างั้นอามาดก็เห็ น, หนหมาเห็นมาเห็นวัวไหมเห็ น, นเห็นวัวไหมพระเจ้าเป็นดินก็เห็นเห็นเห็นว่างั้นเอ า, เอา เ, อ า, เ, อาเอาเลยเอาเลยพระเจ้าเป็นดินคนนี้กะจับหอกได้ก็วิ่งไปไปกดเข้าไปท้องบวกข่าตัวนั้นว่างั้นก็ตะโกนให้ทหารเข้าไปช่วยแทงเข้าไปอีกแล้วก็ตะโกน เ, เสียงดังเขาอีก เราชนะแล้วแต่นี้พระเจ้าเปดินทางนู้นไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรคิดว่าตัวเองจะชนะเลยก็ไม่ได้เตรียมการอะไรไว้ทั้งหมดปล่อยปะละเลยไม่ได้เตรียมกงเตรียมการันยังไงก็ต้องชนะเนี่ยที่สุดเหมือนกับถามผีตายเหมือนกับถามคนตายมาสู้สงครามอย่างนั้นน่ะเหมือนคนตายมันจะสู้ได้ไงถามมาสู้หมากับหมากัด ก, กัดกินแล้วงั้นจะถามไปสู้อะไรมันก็กินหมดน่ะเพราะมันคนตายแล้ว ท่านี้พอตะโกนท่านั้นเลยวิ่งหนีเลยทะเนี่ยแตกทับกระเจิงในทัพใหญ่เหยียบกันละวนร่แลนาตาอีกต่างหากเอ่ยก็ดาด่าลือศีอย่างนี้ลือศีโกโหกลือศีไม่มีศีลลือศีเนีไม่มีคุณธรรมโกหกกว่าเราจะชนะบอกเขาเหรอเราเป็นเราทําไมจึงแพ้ได้ลือศีอย่างนี้ใช้ได้ยังไงในโลกเนี่ยด่าลือศีอีกต่างหาก แต่นี้ก็กลับไปพอกลับไปลือีก็รู้แล้วว่าพระเจ้าประนินเมืองคะลิงฆ่าเนี่ยแพ้แล้วภายทัพแล้วแพ้แล้วตอนนี้ตกกลางคืนมาพระอินทร์ก็เข้ามาหาอีนมาหากลือศรีก็ถามถามพระอินทร์บอกว่าท่านเป็นเทวดาทําไมท่านโกหกได้เหรอท่านบอกว่าพระเจ้าเมืองคะลิงฆ่าเนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะแต่บัดนี้เป็นฝ่ายแพ้เสร็จแล้ว เทวดาโกหกเป็นอยู่เหลยเทวดาเทวดานโกหกได้อยู่เลยพระอินบอกว่าเทวดานี่โกหกไม่ได้พูดตามความเป็นจริงแต่ว่าพญาเมืองคลิ้งค์าไม่พร้อมสักอย่างไม่เตรียมพร้อมสักอย่างเป็นผู้อ่อนแอเป็นผู้ประมาทเหมือนกับคนตายแล้วจะหามมาสู้กับคนที่เขาพร้อมจะได้ยังไงคนที่กล้า เป็นมีระบุรุษปีระสตรีเป็นผู้ตั้งมั่นแล้วถึงจะทานายทายทักขนาดว่าเป็นผู้แพ้เป็นผู้อ่อนแอก็ตามแต่เขาเป็นผู้กล้าหาญเป็นผู้บักบันเป็นผู้กระทาในสิ่งที่ถูกต้องเทวดากับพยากรไม่ถูกเทวดาพยากรไม่ถูกคนประเภทอย่างนี้เพราะเขาพร้อมที่จะชนะได้ ในเมื่อเขามีความตั้งใจมีความตั้งใจมีความมุ่งมันแต่ว่าคนที่อ่อนแอเท่านั้นอ่ะเทวดาพยากรเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเพวาะนั้นเรื่องโหราศาสตร์อะไรก็ตามพยากรได้แต่คนอ่อนแอเท่านั้นถ้าคนเข้มแข็งแล้วพยากรเขาไม่ถูกทั้งนั้นแหละเทวดาบอกเพราะนั้นพญาเมืองคลิงคะจึงเป็นฝ่ายแพ้ เพราะว่าอ่อนแอไม่ได้เตรียมพร้อมด้วยความประมาทคิดว่าตัวเองจะชนะเพราะฉะนั้นจึงฝ่ายเป็นฝ่ายแพ้แต่เมืองตรงกันข้ามเนี่ยเขาไป็ผู้เตรียมพร้อมวางแผนไปดีเขาจึงเป็นฝ่ายชนะเพราะฉะนั้นผู้ที่เตรียมพร้อมมาอยู่เสมอเนี่ยถึงจะเป็นคนกลุ่มน้อยก็จริงแต่เขามีความพร้อมเพียงสา ม, มัคคีกันน้ำหนึ่งใจเดียวกันขนาดขึ้นบนหลังเขา ประ ก, กาศให้กระโดดหน้าผาเขาพร้อมที่จะกระโดดตายแทนพระเจ้าแผ่นดินของเขาได้เพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นฝ่ายชนะแต่นี่นก็จะทํำยังไงได้ออตัวเองก็กลับไปอันนี้แหละเพราะพระพุทธองค์เพราะพระพุทธเจ้าท่านยกนิทานสาธขึคค้นมาแล้วท่านจึงสรุปว่าบุคคลใดก็ตามพระสงฆ์ใดก็ตาม ท่านผู้ใดก็ตามถ้ามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความบักบันจะเป็นฝ่ายชนะได้แต่ถ้าว่าผู้ใดมีแต่เชื่อเขาทำนายว่าอย่างนี้แล้วก็นงองคอยงอมืองอเท้าคิดว่าหลาัดจะลดจามาพาดมาเกยเราเราก็คงจะมีความสุขอย่างที่เขาทำนายทายทักมีแต่ความร่มจมจะเขามาสู่เขา เพราะเขาไม่ได้ตั้งใจเขาไม่ได้มุ่งมัน่นเขาไม่ได้มีความพยายามที่จะต่อสู้ในสิ่งเหล่านั้นเพราะกรรมคือการกระทําของตัวเองเนี่ยนะถ้าเราทําดีแล้วสิ่งที่ดีมันจะต้องตามมาถึงเราถ้าทํากรรมไม่ดีแล้วกรรมไม่ดีนะนะั่นแหะจะตองตามเราเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนนะให้มีความตั้งใจให้มีความมุ่งมัน่นให้มีความขยันถ้าว่าพวกเราจะภาวนาสิ่งไหนก็าตาม เราจะไปท้อแท้อ่อนแอแบาบุญบา ร, รมีเราน้อยบุญบา ร, รมีของเราไม่ถึงบุญบา ร, รมีของเรายัางไม่เพียงพอการศึกษาของเรายัางต่ำการกระทําของเรายัางร่อยมันเป็นเรื่องทับถมจิตใจของเราทั้งนั้นวันนี้ได้พูดเรื่องนิทานชาดกเป็นเครื่องประกอบให้พวกเราท่านทั้งหลายจะได้ดาเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องเป็นธรรม ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทต่อนนี้ไปรับพร